สิ่งเจียอยู่อีสิ่งนี้พวกชาย <c oughs> ตามธรรมเนียมเนาะ <c oughs> มีใครไม่เคยมาไห ม, มยกมือให้หลวงพ่อดูนะ <c oughs> เอาเยอะนะ <c oughs> ใครเขาหลอกมา <c oughs> คนที่มาครั้งแรกได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาก่อนนียังได้ฟังแล้วใช่ไหมฟังแล้วจะช่วยทุ่นแรงในการพูดกันได้เยอะเลย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 เราก็จะเห็นแต่ว่ามีแต่ของเกิดดับเกิดดับไปไม่มีตัวตนอะไรที่เที่ยงแท้ถาวร น, นี้ล่าความเห็นผิดว่ามีตัวมี ต, มตไนไดบางคนไม่ถนัดที่จะดูความไม่เที่ยงดูความเกิดดับไม่ถนัดก็เห็นกายเห็นใจมันถูกความทุกข์บีบคั้นไปเรื่อยๆถูกความทุกข์บีบคั้นมันทนอยู่ในสภาวะอันใดอนหนึ่งไม่ได้อย่างนั่งนานๆมันก็นั่งอยู่ไม่ได้มันทรมานนอนนานๆก็ทรมาน ยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้านะเต็ไมไปด้วยความทุกข์ถูกความทุกข์บีบคั้นถูกความทุกข์เสียแทงอยูนะ่หรือจิตใจนะก็ทนอยู่ในภาวะอันใดนหนึ่งจริงไม่ได้อย่างอุตส่าห์ประคองจิตไว้จนนิ่งเลยจิตมีความสุขมีความสงบเสร็ลําก็อยู่ไม่ไดนะ้มันก็เสื่อมไปการที่เราเห็นว่าเออทั้งกายทั้งใจนี่นะมีแต่สภาพที่ถูกบีบคั้นเสียดแทงมีแต่ความเสื่อมสลายไปเรื่อยๆนะนี่เรียกว่าเห็นทุกข์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 ก็จะสามารถละความเห็นผิดเมื่อกายกัฉิตเป็นตัวเราได้นะเวลาเห็นเห็นมุมเดียวก็พอแล้วแต่เวลาปฏิบัตินะบางครั้งมันก็พลิกไปพลิกมาบางครั้งก็เห็นอนิจจังบางครั้งก็เห็นทุกขังบางครั้งก็เห็นอนัตตาพลิกไปพลิกมาได้แต่เวลาที่จะตัดสินความรู้นะจะเข้ามุมใดมุมหนึ่งตามจริตนิสัยของคนอย่างพวกสมาธิแก่กล้าจะเห็นทุกขนะ์ถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่ยอมวางมันจะเห็นแต่สุขทําสมาธิแล้วสุขมันเยอะ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 เสร็จแล้วจะไปคุยกับคนอื่นก็คิดไปคุยไปมองหน้าเขาบ้างคิดบ้างคุยบ้างเผลเผลอเพลินเพลิปลปลปลไปมันมีแต่เรื่องลืมกายลืมใจทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นคนในโลกนี้หาคนที่รู้สึกกายหาคนที่รู้สึกใจนี่ยากเต็มทีนับตัวได้แต่ก่อนหายากเดี๋ยวนี้ชักไม่ยากแล้วมาอยู่ที่นี่เยอะมากเลยคนที่รู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อก่อนหลวงพ่อตะเวนไปมากนะ ก่อนจะบวชเนี่ยเที่ยวไปตามสำนักปฏิบัติทั้งหลายเที่ยวไปเยอะแยะเลยพบว่าผู้ปฏิบัติเกือบทั้งหมดติดสมถะกระทั่งสำนักที่บอกว่าจะทําแต่วิปัสนาล้วนๆเอาเข้าจริงก็ติดสมถะมีแต่การเพ่งการกําหนดการประคองการควบคุมการบังคับการกดขม่มข่มกายข่ม ใ, ใจประคองกายประคองใจกําหนดกายกำหนดใจมีแต่เข้าไปแทรกแซงทั้งสิ้น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 งั้นผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ติดอยู่แค่ความสงบเท่านั้นเองไม่สามารถก้าวขึ้นมาสู่การเจริญปัญญาได้พอจิตใจสงบพอสมควรแล้วนะมันเกิดอาการของปีติขึ้นมาเช่นขนลุกขนชันรู้สึกอาการวูบวบวาบๆนะความรู้สึกวูบวาบขึบบ้นมารู้สึกตัวลอยตัวเบาตัวโครงตัวหนักมีหลายแบบบางคนก็รู้สึกตัวใหญ่บางคนก็รู้สึกตัวเล็กตัวใหญ่นะี่บางทีใหญ่เป็นภูเขาเลย ทั้งใหญ่ทั้งหนักนะคนก็รู้สึกตัวเบารอยละล่องบางทีก็รู้สึกเหมือนแมาแงมาไตตามผิวหนังมแมลงตัวเล็กตัวใหญ่มาไตนี่เรากลับไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นมิปัสนายานแท้จริงเป็นอาการของปีติที่เกิดจากการทำสมถะทั้งสิ้นเลยมิปัสนายานจะไม่มีอาการพิกลพิการทางร่างกายนะเพราะยานเป็นชื่อของปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจต่ัง เข้าใจอะไรเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์นี่ถึงจะเป็นวิปัสสนาญาณแท้ๆไม่ใช่เข้าใจเรื่องอื่นด้วยนะไม่ใช่เข้าใจว่าโอ้เทวดามีทั้งหมด6ชั้นเนี่ยนรกมีทั้งหมดแขุมใหญ่แต่ละขุมเนี่ยมีนรกเล็กๆแวดล้อมรู้อย่างนี้ไม่เรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาต้องรู้กายรู้ใจตัวเองว่าเป็นไตรลักษณ์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 รู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรารู้สึกเรื่อยๆวันหนึ่งก็เข้าใจธรรมะไม่ยากนะไม่ยากถ้ารู้หลักแล้วไม่ยากถ้าทําผิดนะทํำยังไงก็ไม่สําเร็จส่วนมากทําผิดนะชอบไปเพ่งเอาดูท้องพองยุบก็เอาจิตไปแนบไว้ที่ท้องนิ่งๆได้สมถะไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเอาจิตไปแนบไว้ที่เท้าจิตไม่หนีไปที่อื่นเลยจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวคืออยู่ที่เท้านะเพ่งอยู่ที่ตัวอารมณ์คือเท้า การเพ่งตัวอารมณ์เรียกอารามณูปนิชฌานเป็นการทําสมถกรรมฐานส่วนการรู้ลักษณะคือความเป็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสนาเรียกว่าลักขนูปนิชฌานการเพ่งเล็งไปรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมาทําไมต้องของรูปนามนะเพราะว่าสิ่งที่เป็นรูปนามนี่มันมีไตรลักษณ์สิ่งที่เป็นความคิดสมมุติบัญญัติมันไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูมันะคิดไปได้ทั้งวันอนะอย่างเราคิดว่า เราชื่อแต๋วสมมุตินะเราชื่อนางสาวแต๋วมันก็แต๋วมาทั้งชาตินะไม่เห็นมันไม่เที่ยงตรงไหนนละไปเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อเราก็รู้สึกเราบังคับได<ม>ไ้แทนที่จะเห็นว่าบังคับไม่ได้ก็เห็นบังคับได้เพราะฉะั้นตัวสมมติบัญญัตินะั้นไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูจริงหรอกต้องดูกายดูใจแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่มีใครเห็นสมมุติบัญญัติเป็นตัวเราสิ่งที่เรายึดว่าเป็นตัวเราอย่างแท้จริงคือกายกับใจรูปกันาม มันต้องรู้ลงที่รูปรู้ลงที่นามแล้วเห็นมันเป็นไตรลักษณ์ถึงจะรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราฝนะึกนะตั้งเป้าให้ถูกถ้าตั้งเป้าของการปฏิบัติผิดการปฏิบัติจะล้มลุกลุกลครานไปเรื่อยๆลูกลุกลคลำไปเรื่อยๆเรียบเคียงไปเรืนะ่อยๆะเรียกว่าไม่เข้าเป้าจะตีหัวใครสักคนนะั้นต้องตีให้กลางกระหม่อมนะอยิ่งไปตีแขนตีขาตีนิ้วมันอย่างเี้เมื่อไหร่จะชนะจะสู้กับกิเลสจะภาวนาให้มันแตกหักนะ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 นั่นต้องดูลงเป็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นกายเห็นใจก็ไม่ใช่วิปัสนาถ้าเห็นกายเห็นใจแล้วยังไม่ใช่ไม่เห็นไตรลักษณ์ก็ไม่ใช่วิปัสนาเพราะงั้นบางคนไปรู้กายรู้ใจแล้วคิดว่าทําวิปัสนาแล้วเนี่ยไม่ได้ทําวิปัสนาจริงยกตัวอย่างไปรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะรู้ลมไปเรื่อยๆนี่บอกว่าลมเป็นส่วนของร่างกายได้ทําวิปัสนาแล้วนี่ไม่ใช่ถ้าทําวิปัสนาจริงๆจะเห็นว่าร่างกายที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรา จะเห็นว <LEY> ่าร่างกายที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เห็นว่ากําลังหายใจเข้ากําลังหายใจออกถ้าเห็นว่ากําลังหายใจเข้ากําลังหายใจออกเป็นแค่สมถะจิตจะได้แค่สมถะหรือดูท้องพ่องยุบนะถ้าจิตของเราไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องเป็นสมถะถ้าเห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบจิตมันเป็นคนดูอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนายืนเดินนั่งนอนอยู่นะเห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี่ รู้มันกระดุกกระดิกรู้หมดเลยนี่สมถะนะสมถะเพ่งใส่มือไว้ใส่ยลงพระเทียนรุ่นหลังๆเยอะนะขยับมือเพ่งใส่มือไว้นี่สมถะนะจิตจะนิ่งถ้าวิปัสสนาล่ะเห็นรูปที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราคนละเรื่องกันนะไปเพ่งนึอเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งลมอะไรนี่เพ่งอิริยาบทสีนี่ไม่ใช่วิปัสสนา ต้องเห็นกายมันไม่ใช่เราเห็นจิตมันไม่ใช่เราถึงจะเป็นมิปัสนาของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็เลยไม่ใช่เราเทศนได้สิบห้นาทีนะฉลองตรุษจีนตัวจีนตรุษไทยหลวงพ่อก็เทศนเหมือนกันทุกวันนะเพราะธรรมะนี่เป็นอากาลิโกเหมือนกันทุกวันไม่เปลี่ยนแปลงด้วยเวลาเชิญพวกอยู่วัดส่งกันบ้านแก้วก็เวลาที่สติเกิด รู้สึกเหมือนปลาเป้าอะค่ะส่วนมากเนี่ยจะพาดตรงบูซายไปนิดนึงไม่เพงก็ปรุงไม่ปรุงก็เหมือนรู้สึกยังรู้ไม่ชัดนานๆครั้งเขาจะรู้สึกว่าเข้าเป้าทีนานเวลาที่เข้าเป้าเนี่ยจะรู้สึกอย่างเมื่อวานเนี้ยค่ะเหมือนภาพมันสโลโมชันเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นว่าที่จิตไหลไปทางตาเนี่ย hmm. แปลว่าอะไร hmm. ะเห็นภาพต้นหูกระจงเป็นต้นไม้ที่แก้วชอ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 แต่ไม่ใช่ตามมองเห็นต้นไม้ตามไม่ได้มองเห็นอะไรตามองเห็นรูปนตาก็มองแค่เห็นรูปเสร็จแล้วจิตมันคิดตรงที่จิตมันคิดเนี่ยมันถึงจะแปลความหมายของรูปที่มองเห็นออกมานี่ต้นไม้พอแปลได้นะเริ่มให้ค่าอีกอว้าสวยนี่ไม่สวยพอสวยไม่สวยเกิดขึ้นมาก็ เ, าเกิดชอบเกิดไม่ชอบขึ้นมาเกิดชอบไม่ชอบขึ้นมานี่นะตรงนี้แหละกิเลสมันเกิดละ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 แต่ถ้าตามองเห็นแล้วจิตมันแปลโอ้นี่ต้นไม้แล้วก็ให้ค่าโอ้สวยเกิดราคาขึ้นมาชอบถ้ายัางรู้ว่ามีราคาชอบก็ยังใช้ได้นะไม่ใช่ว่าห้ามมีราคางั้นเลาเรากระทบอารมณ์นะปล่อยให้เขาทํางานตามธรรมชาติกระทบแล้วจะกระเทือนเข้าถึงใจก็ได้จะไม่กระเทือนเข้าถึงใจก็ได้แต่ห้ามไปเบรกมันนะถ้าไปกระทบทางตาแล้วไปเบรกกํนะาหนดไว้ทางตาส่วนมองเห็นนะใจมันจะทื่อๆนิดนึง เนี่ยเนี่ยกำหนดไว้อย่างนี้นะกําหนดเลยมันจะไม่ใช่วิปั ส, สนามันคือการเพ่งแต่ถ้าวิปั ส, สนาเนี่ยตามองเห็นรูปแล้วมันจบลงที่รูปเลยไม่ปรุงต่อวิเศษที่สุดแต่ถ้ามันไปนแปลกความหมายนี่คืออะไรก็ไม่เป็นไรการที่จิตแปลกความหมายเนี่ยเป็นวิบากเป็ น, นกลไกปกติไม่ใช่กุศลหรืออกุศล พอแปลแล้วมันก็ตัดสินว่านี่ดีไม่ดีเขาก็ตัดสินของเขาเองไม่ใช่กุศลอกุศลแต่พอดีแล้วเนี่ยยินดีพอใจนี่ อ, อกุศลเกิดแล้วนะพอเห็นว่ามันไม่ดีก็ เ, เกิดโทสะขึ้นมานี่อกุศลเกิดแล้วปัญหามันอยู่ที่ตัวนี้ตรงที่กุศลอกุศลเกิดนี่เาเรียกว่าชาวนะจิตนะภาษาอภิธรรมเรียกว่าชาวนจิต ตรงชวานาจิตเนี่ยเราก็มีสติรู้ทันอีกจิตเป็นอกุศลนะเราก็รู้ทันอีกมันขึ้นวิถีอันใหม่วิธีที่เป็นอกุศลจะดับไปเลยเกิดเป็นวิธีที่เป็นกุศลขึ้นมาแทนนะสติปัญญาทํางานขึ้นมาแทนอกุศลดับไปทันทีค่อยฝึกนะดีแล้วแก้วค่อยเห็นร่องรอยตรงที่ตามองเห็นเนี่ยมีจิตดวงหนึ่งเขาเรียกว่าจักขูวิญญาณจิตจักขูวิญญาณจิตเป็นอุเบกขารู้สึกไหมเฉยเฉยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเฉยเฉย มีอุเบกขาเวทนาเสร็จแล้วมันส่งสัญญาณมาที่ใจตรงที่มันส่งสัญญาณมาที่ใจเนี่ยมันส่งสัญญาณด้วยสัมปติชนะนจิตชื่อเรียกยากไม่ต้องจำก็ได้พอส่งมาแล้วนะมันมาพิจารณาตรงนี้เรียกว่าสันติรณจิตแล้วก็มันตัดสินให้ค่าตัวนี้เรียกโวฒทัพณาจิตเสร็จแล้วมันก็เลยเกิดกุศลอกุศลขึ้นมาเข้าไปเสเวยอารมณ์ตัวนี้เรียกว่าชวณะจิต เสร็จแล้วมันขึ้นมารับรู้อารมณ์ได้ชัดอยู่ช่วงเนื้อจะเบลอๆไปตัวนี้เรียกตถารัมมณัจิตรู้สึกแม่มจะเบลออยู่นิดหนึ่งแล้วก็ขาดแวบลงไปดับจิตลงผาวางครั้งใหม่เดี๋ยวก็ขึ้นวิถีขึ้นมารับรู้อารมณ์ทางตาหรือทางหูเราเลือกไม่ได้จิตจะรู้ที่ตาหรือรู้ที่หูหรือรู้ที่ใจเราเลือกไม่ได้เขาขึ้นมาเองนะเราจะดูไปเรื่อยเราก็จะเห็นเลยเขาทํางานของเขาเองไม่ใช่ตัวเราเนี่ยค่ยฝึกนะแล้วเราจะเห็นจริงๆเลย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 เหมือนยังหยุดหยุดบ้างปล่อยบ้างแล้วก็แล้วสุดท้ายก็เล่นไปสองสาทีก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยปล่อยให้หลับไปเลยมไม่งั้นจะต้องตื่นเลยแต่มีบางครั้งมี ห, หนึ่งที่ไม่รู้วก็คืออะไรคือจะรู้สึกเหมือนตกจากที่สูงะอะตกเร็วมากแล้วไม่หยุดสัทีแล้วกลัวมากเลยไม่ต้องกลัวนะเวลาที่เราหัดดูเข้าดูออกอย่างนั้นอะมันคือการทาสมถะเหมือนกันจิตมันรวมนี่ตรงที่จิตรวมเนี่ยยังไม่ชนานาญเหมือนตกเหว หล่นวูบลงไปนะพอวูบลงไปกลวมเด้งขึ้นมาเลยไอ้เหาะนันนี่คือหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้นั่นแหละธรรมะกลัวมากเลยเออกลัวเห็นไหมกลัวรู้ว่ากลัวไะ<ช> แ, แต่ต่อไปพอเราทําสมาธิชํานาญนะลงนิ่มๆลงนิ่มๆเหมือนนักบินหัดชํานาญแล้วลงนิ่มนักบินไม่ชํานาญนะลงโครมโครมกระโดดเคยเจอไหมเครืบินกระโดดได้ฝึกอย่างนั้นแหละโอเค คือรู้สึกว่าทั้งชีวิตมันจะมีโมหะรองพื้นอยู่ตลอดเวลาให้รู้ไปอย่าไปเกลียดมันมันอยู่ที่แบบจะมากจะน้อยเก๋ก็ต้องเคลื่อนไหวเยอะๆไว้กระดุกกระดิกเคลื่อนไหวไว้แล้วเวลาปฏิบัตินะคะบางทีเก็ไม่รู้คือบางทีเราอยากที่จะมีสมาธิแล้วพยายามที่จะนั่งเหมือนอารมณ์เดียวอะค่ะแต่พอจิตเขาไม่ยอมคือมันหมายควาว่าอยากจะออกมารู้มากกว่าที่จะออกมานิ่ง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 เดินตลอดนั่งแต่นั่งไม่ค่อยได้นะนั่งไม่สบายเท่านั้นเดินเราก็เดินนะแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนวานกับเมื่อคืนก็นอนสามทุ่มกว่าตีห้าทุ่มครึ่งประมาณเนี้ยค่ะก็ไม่หลับอีกเหมือนกันก็เดินทั้งคืนนั่งทั้งคืนดีแล้วะสวดมนต์ไปอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะดีแล้วเราก็นอนมาเยอะแล้วเราก็เดินบ้างนั่งบ้างก็ดูจิตบางทีก็มีทั้งอะไรนะคะ ราคาโทรศัโมหะบางทีก็สนุกอะไรเงี้ยค่ะเไปตามเรื่องตามราของเขาไปค่ะดีแล้วเห็นไหมเขาทํางานเองเห็นไหมเราบังคับเขาไม่ได้สั่งให้หลับยังไม่ยอมหลับเลยใช่ๆค่ะเนี่ยดูอย่างนี้นะดูขอหลวงพ่อช่วยหน่อยเถิดขอให้ลูกหลับตักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีอย่างเงี้ยหลวงพ่อช่วยไม่ได้ขอเทพดาภาลักษณ์ช่วยหน่อยเถอดแบบมันไม่หลับยังไงมันก็ไม่หลับให้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 นอนไม่หลับก็ทุกนะทุกค่ทุกอยู่ที่ไหนอ่ะตัดใจเขาทุกอยู่ที่กายกับใจของเราค่ะเพราะงั้นไม่ว่าเราจะไปขึ้นสวรรค์นะเราก็ยังเอากายเอาใจไปด้วยก็เท่าเราแบกทุกไปด้วยไม่ว่าเราไปที่ไหนเราก็แบกทุกไปด้วยเพราะฉะนั้นเราหนีทุกไม่ได้ให้เรารู้ทุกไปด้วยอยู่บนสวรรค์มาอยู่วัดแมสงบสันติ บางช่วงบางเวลานะเช้าวๆ้าก็สวยนะบางคนมาบอกยังก็สวนะิตเซอร์แลนด์เนี่ยถูกไมไม่ลืมตาดูมันมีต้นไม้ซะที่ไหนภูเขาคือ <c oughs> <c oughs> มันสุกแค่ไหนก็ตามนะรู้กายรู้ใจไปอ่ะได้อีกคนหนึ่งอ่ะมากไปตื่นมาก็เห็นแต่ความอยากค่ะวันนี้เข้าห้องน้ำก็เห็นว่าตัวเองอยากไม่อยากอะไรอยา่างเงี้ย คือถ้าเราเห็นความอยากได้ชาติเห็นความอยากได้บ่อยนะเอาความอยากนี้มาเป็นอารมณ์กรรมฐานเราก็จะเห็นเลยจิตเราเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็อยากไหมจิตมีสองชนิดจิตที่อยากกับจิตที่ไม่อยากหมุนเวียนไปเรื่อยเบังคับไม่ได้อันนี้เรียกว่าจิตมีราคะหมบอสใช่จิตอยากก็คือจิตมีราคะตัวตัณหาเนี่ยเป็นราคะองค์ธรรมของตัณหาคือราคะแล้วหลุยก็เผลอไปเดินจงกรมตอนเช้าคา่ะแล้วก็เห็นว่าตัวเองเนี่ย คือเผอไปก่อนนะคะเดินจงกรมแล้วมันไม่ได้เหมือนเมื่อวานนะคะดีะแล้วก็นะรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันอยากนี่นะ อ, อยากให้เหมือนเมื่อวา <He S 2> นเห็นไม่มีประโยชน์นะแล้วไปเดินคร า, า, าวนี้เดินคราวนี้แล้วรู้ทันตัวเองว่าเดินด้วยความอยากแล้วเดินต่อไปความคิดปรุงแต่งเวลาเราเดินบางครั้งมันห้ามไม่ได้มันทั้งหลงและไหลอย่างเงี้ยบางครั้งหนู ก, ก็ไปรู้สึกไ ม, ไ, มไม่ชอบไม่ใช่บางครั้งทุกครั้งห้ามไม่ได้นะเพราะว่าเราบังคับไม่ได้จริง คือถ้าจิตเขาจะตั้งหรือไม่ตั้งก็เรื่องของเครัก็เรื่องของเขาเราตามรู้ตามดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของเขาไปเราตามดูเพื่อให้เห็นความจริงว่าเราบังคับเขาไม่ได้เขาไม่ใช่ตัวเรางั้นไม่ได้ตามเพื่อจะบังคับให้ได้ทําไมมันเต็มไปด้วยความอยากค่ะอย่างเมื่อวานหรือเห็นอะไรไหวๆหรือก็ไปดักเขาทั้งวันนะคะเหมือนอยากตลอดเวลาะเราเคยสะสมของเรามาอย่างนั้นจิตเลั้นไหลไปตามอันุใสจิตมีราคะใช่ใช่เรียกราคานุใส เราต้องก็ดูไปน่าดีฉลาดนะ <c oughs> จะถามให้แล้วจะต้องทำยังไง <c oughs> แล้วเบรกทันเบรกเนียนนะ <c oughs> อาเชิญคุณดุษฎีสกาลของพ่อไม่ได้มาสนาดตอนนี้ต้องบังคับอยู่นิดนิดนะครัพ่อในชีวิตประจมวันก็เดี๋ยวนี้เห็นอะไรมันเหมือนกับเห็นเป็นแค่วัตถุอะฮะไ ม, ไม่ได้เห็นเป็นคนสัตว์อะไรนี่นั่นแะเราเห็นรูปแนละ้ว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 นะอันนี้นเป็นอาการปกตินะภาวนาไปช่วงหนึ่งก็จะกลัวบ้างเบื่อบ้างกลัวอะไรกลัวที่ตัวเราหายไปเบื่ออะไรเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะของที่ดีที่วิเศษที่สุดที่รักที่สุดคือตัวเองนะี่มันหายไปนะมันหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เลยรู้สึกหงงงงเวิงว่างนะนะอันนี้นเป็นอาการปกติถ้าเกิดเราก็รูปต่อไปในที่สุดจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลาง เมื่อจิตไปสู่ความเป็นกลางเราก็รู้ทุกสิ่งด้วยจิตที่เป็นกลางมากขึ้นมากขึ้น mm hmm. เห็นปัญญามันจะเกิดมากขึ้นเรื่อย mm hmm. ๆเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างบังคับไม่ได้ทุกอย่างชั่วคราวนี่สุขทุกข์ดีชั่วเลยเสมอกันไปหมดเลยเพราะว่ามันชั่วคราวทั้งหมด mm hmm. นะพอใจเราเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งที่เขาพอเขาอิ่มเนี่ยอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเพราะเราภาวนาเนี่ยเพื่อวันหนึ่งใจของเราจะอิ่ม